แปดหน้า61เนอะของเรานี่มีนักเรียนอวุโสน้อยที่สุดมาด้วยหนึ่งคนอวุโสนี่โดยศัพท์แปลว่าผู้มีอายุก็คือเป็นผู้ใหญ่เขาเรียกผู้น้อยน่บวชได้แล้วไล่กาได้ลูกคุณเฉลิมมีอู่คนเดียวรุ่น <c oughs> นี้ไล่กาได้ไม่ใช่เจอโลกยมคันหนึ่งชื่ออะไร ไอเต้อะนี่เป็นสองขวบกว่านั้นยังไล่กาไม่ได้คือ <c oughs> ปกตินี้คําว่าบวชเนเนี่ยเขาจะเอาไล่กาไล่นกไล่กาได้อะไรได้เขาให้บวชได้ดเนี่ยเอามางี้มีอัธยาสัยเอามาเล็กๆตามคุณปู่ไปวัดเหมืนนหอนกันก็ทําให้มีอัธยาศัยฝักไฟเลย เล่นซ่อนหาในวัดไงเวลานี้เจออีกเป็นเด็กู้หญิงอยู่อุบัติบัณฑตรวจมนลอยตรวลอยได้ไหว้นี้ผมเห็นตั้งแต่เริ่มต้นแล้วไหว้ตราบเป็นจังข้าพระเดิกสวยมีอัธยาศัยนะสวยและว่านั่งต้เทียบเวลาท่านเพชรท่านอะไรจะนั่งผัสสมาธิแล้วก็ ฟังวา ง, วางมือแ ล, ละหลับตา mm. ตอืผมดูแล้ว <c oughs> หน้าขึ้นชม <c oughs> หน้าขึ้นชม <c oughs> ดูอันวันสาม <c oughs> แล้วเลยถามย่าเขาพย่าเขาบอกว่ากันเืิงก่อนนอนแลต้องเข้าไปนั่งสวดมนต์ด้วยครับแม่ แปิดหน้า61เนอะของเรานี่มีนักเรียนอวุโสน้อยที่สุดมาด้วยหนึ่งคนอวุโสนี่โดยศัพท์แปลว่าผู้มีอายุก็คือเป็นผู้ใหญ่ก็เรียกผู้น้อยนี่บวชได้แล้วไล่กาได้ลูกคุณเฉลิมมีอยู่คนเดียวนั่นรุ่นแบบนี้ไล่กาได้ไใช่เจอลกูกยอมคันหนึ่งอะชื่ออะไร ไอต่อะนเนียสองขวบกว่านั้นยังไล่กาไม่ได้ค <c ười> ือ <c ười> ปกตินี้คคำว่าบวชเนเนี่ยเขาจะเอาไล่กาไล่นกไล่กาได้อะไรได้เขาให้บวชได้ดนเนี่ยเอามาเนี่ยมีอัธยาศัยเอามาเล็กๆตามคุณปู่ไปวัดเหมือนกันก็ทำให้มีอัธยาฝักไฟเล่นซ่อนหาในวัดไง เวลานี้เจออีกเป็นเด็กผ <ess Fat> ู้หญอยู่อุดมการศึกษาตรวจมนไรตะไรได้ไหวนี้ผมเห็นตั้งแต่เริ่มต้นแล้วไหวกล้าเป็นจังข้าพระเด็กมีสวยมีอัธยาศัยนะสวยแล้วก็นนั่นก็เทียบเวลาตั้งตั้งเพศท่านอะไรจะนั่งขัดสมาแล้วก็ฟังวางมือและหลับตาผมดูและดู น่าขึ้นชมน่าขึ้นชมดูอุบาลสแล้วอะไรถามย่าเขาญาติเขาบอกกันคืนก่อนนอนต้องเข้าไปนั่งสวดบุญด้วยเมามีบุญนะมีกะะ<อ>ัลยาณมิตรใช่แล้วเมื่อสศิลที่แล้วไม่มา<อ>ผมต้องถามหาครับต้องถามหากเขาไปาไปไง เราก็สบายใจไปด้วยนะนะการกั่นกยาเขาจะทำให้เรามองและต่างกันกัรผู้ใหญ่ทำทให้เราทาให้เรามีศรัทธาไปด้วยวันเด็กยงทำไดขนาดนั้นผู้ใหญ่บางคนจะได้กลัวจะอายเด็กมันทุบวันสามกี่ีแล ถึงห้าปีหรือเปล่าตับประมาณนะประมาณขวบรับศีบลก็รับได้อาลังมาไหว้ก็เยเสร็จผู้ใหญ่ทายังไงทำน้าตกสิบหุ่นไหมครับกเอาไลกาได้ไลกกาได้บวกก็ไล่กาได้ไล่นกไล่กาได้ก็ บ, บวชได้ละ ว่าตามภาษาบาลีให้มันชัดชัดได้คือเด็กๆพูดถึงว่าอายุขัดควรแค่ไหนคือพอรู้เรื่องอ่ะนะแปล ว, ว่าเห็นนกเห็นกาก็รู้จักไล่นกไล่กาได้อะไรได้คุยกันรู้เรื่องอ่ะ เอาแบบเนี้ยบอกว่าสมมเณีนบวชนี่มันอยู่ยากนะบอกท่านยังอยู่ได้ผมก็อยู่ได้แต่อย่างงี้ก็เอาใช้ได้ลําบากนะเออเลอกเอผมกลับบ้านงั้นนี่มาเข้าธรรมะที่ควรจเจริญเลยเนะอะแดนแห่งกสินสิบหรือกสินายตนะเนี่ยนะเรียกว่าอายตนะคือกสินหรือว่าแดนเกิดแห่งกสินบอ่อเกิดแห่งกสิน วิธีสังเกตง่ายๆข้อ1 2 3 4สาี่ให้รู้ว่ า, าธาตุกษินนี่จำง่ายข้อ1ถึงข้อ4เรีย ก, กท่าธาตุกษินข้อ5ถึงข้อ8เรียกวันหน้ากษินแล้วก็ข้อ9ข้อ10ก็คืออากาศกับวิญญาณในกษิน8ข้อเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้รู้ว่าได้ฌานสี่นะสามารถเจริญได้จนถึงฌาน4ี่ทุกกษินเลย ปัทวีกสินอย่างเดียวก็เจริญได้ถึงชา้นสี่อาปโปเตโชวาโยโอกสินเนี่ยก็เจริญได้ถึงชา้นสี่ปัทวีอาปโปเตโชวาโยโอกสินนี้เรียกว่ า, าธาตุกสินนั่นแหละส่วนนีรกะสินปีตักะสินโลหิตตกะสินโอทาตะกะสินก็คือสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวเนี่ยสีสีนี่ก็สามารถทําได้ถึงชานที่สี่ น, นั่นแหละเรียกว่าวันนากสิน ในกสินทั้ง8ดนี้มีอุปการะต่ออภิญยาเนี่ยมากเนี่ยนะต่ออภิญญาไงเช่นปฐวีกสินนี่ประโยชน์ก็คือทําในที่น้ําให้เป็นแข็งได้เรียกว่าทําให้เดินบนน้ําได้อโปกสินก็ทําให้แบบดำน้ำดำแผ่นดินได้นะมุดดินอ่ะอโปกสินได้เตโชกสินก็คือสร้างไฟได้อย่างน้อยก็มีผ้รหันหลายท่านใช่ไหมเผาเองเลยไม่ต้องให้คนอื่นมาเผา อย่างพระนนท่านก็เผาตัวของท่านเองเนี่นนะก็คือเนี่ยพวกเตโชกสินส่วนพวกวายโยกสินก็คือทําให้เหาะไดนนะ้ช่วยเหลือในการเหาะไปได้เรียกว่าไปเร็วเหมือนลมพัดเนี่ยนะสายส่วนพวกนีลกสินเนี่ยกลางวันเนี่ยทําให้เป็นกลางคืนได้นั่นนะพวกปีตกสินเนี่ยนะสีเหลืองเนี่ยก็เนรมิตทองได้อะ่ะเอาแผ่นดินให้เป็นทองได้อย่างพระปีรินทวัชชะเนี่ยเรียกว่าเอา ดอกย้านงะทําเป็นดอกทองได้อนะพวงมาลัยย่าธรรมดาเนี่ยมาทําเป็นพวงมาลัยทองเรียกว่าปีตะกศินโลหิตตะกศินก็ทําให้เป็นสีแดงนะนะส่วนโอทาตะกศินก็ทํากลางคืนให้เป็นกางวันไดนะนะ้คือทําให้สว่างได้นั่นเองทามืดอยู่ก็ทําให้สว่าง พวกกสินทั้ง8ดข้อเนี่มีผลต่ออภิน ญ, ญาหลายชนิดด้วยกันตั้งแต่อิทธิวิธีเป็นต้นเนี่ยนะการทําฤทธิ์ได้การเนรมิตอะไรต่างหลายทั้งหลายแหล่เนี่ยอาศัยกสินเหล่านี้นั้นกสินพระผู้มีพระภาคจึงสอนบอกว่าเป็นธรรมที่ควรเจริญนะอยู่ในกลุ่มพาวเวตปรธรรมไม่ใช่ว่าไปปฏิเสธว่าอย่าไปเจริญเลยเป็นต้นนั่นนะเพรอย่างน้อยที่สุดขณะที่เจริญกสินนี่บอนไม่กลุ่มรุมใช่ไหม นิวรณ์ไม่กลุ่มลมก็ถือว่ามีประโยชน์แล้วเป็นเนคข ม, มวิตกซึ่งไม่ใช่กาห์ ม, มาวิตกเป็นต้นในขณะที่เพ่งกสินนะท่องกระสินสาธยายกสินนี่ก็ระงับนิวรณ์ไปตั้งเยอะส่วนผู้ที่ได้กสินข้อหนึ่งถึงข้อ8ดเนี่ยจึงจกเจริญอากาศกสินได้นั่นนะก็คือทําพวกกสินทั้งแปดข้อให้ได้ฌานสี่เมื่อได้ฌานสีแล้วก็เพิ่ ก็เรียกว่าเป็นอากาศที่เกิดจากการเพิกกสินนั่นเเพราะนั้นอากาศกสินนี่เป็นชื่อของวิญญาณนันจาของอากาศสานันจายัตนาเนี่ยนะก็คือมีอากาสารนัญจายัตนะเป็นอารมณ์อากาศกสินตรงนี้ไม่ใช่อโลกสินนะคนละอันกันอโลกสินนี่ก็จับอยู่ในกลุ่มโอทาตกสินแสงสว่างนะแสงสว่างกระสีขาวอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนั้นอากาศกสินอันนี้ก็เป็นอารมณ์ของอากาศสานันจายัตนะ ส่วนวิญญาณนักศิล์วิญญาณนักศิล์นี้เป็นอารมณ์ของวิญญาณัญจายตนะนั่นนะก็เป็นอรูปประชานที่สองกับที่4 Bradley, ี่อรูปประชานที่สองคือวิญญาณัญจายตนะมีอากาสานัญจายตนะเป็นอารมณ์แล้วก็อรูประชานที่4คือเนวสัญญาณสัญญายตนะมีอากินจัญญายตนะเป็นอารมณ์เพราะคาว่าวิญญาณกศิล์นี้เป็นชื่อของฌานฌานที่เท่าไรฌานที่ รูปประชาญที่สองกับที่สี่นั่นนะนั้นกระสินทั้ง1ิบข้อที่กล่าวไปเนี่ยให้รู้ว่าหมายถึงสมาบัตแปด 8. ว่าโดยสรุปนะถ้าจาง่ายๆเลยก็คือธรรมะที่ควรเจริญคือกระสินสิในที่นี้หมายถึงสมาบัตแ8นะควรทำสมาบัตแ8ดให้ได้นะสมาบัตแ8ดตรงนี้เป็นธรรมที่ควรเจริญอ่คือถ้าสมาบัตเนี่ยแปลว่าเข้า คือข้อข้อที่หนึ่งถึงข้อที่แปดเนี่ยเข้าได้ไม่เกินฌานสี่พวกพวกวรนลกสิ น, นพวกธาตุกสินเนี่ยเข้าได้ไม่เกินฌานสี่ได้แค่ฌานสีเท่านั้นส่วนอากาศอากา ศ, อากาศกสินเนี่ยเข้าได้เฉพาะวิญญาณัญจายตนะส่วนวิญญาณกสินนี้เข้าได้ทั้งวิญญาณัญจายตนะและเนวสัญญาน า, น, นาสัญญายตนะตรงนี้ยกแต่อารมณ์มาพูดนะ ไ, ไม่ใช่เจริญอารมณ์แต่เจริญฌานจิตเพราะฉะนั้น คำกล่าวนี้หมายถึงฌานนั้นสมาบัติแปดแปลว่าธทำที่ควรเจริญสมาบัติแปดเนี่ยนะผู้ที่ได้รูปฌานเนี่ยรูปฌานทั้งสี่เรียกชื่อหนึ่งว่าทิฏฐธรรมะสุขวิหารธรรมอรูปฌานเรียกว่าสันตวิหารธรรมเนี่ยนะสันตวิหารธรรมก็คือทำสงบไปนะในสันเลขสูตรเนี่ยพระผู้มีพระภาคแสดงไว้ว่าพวก รูปประชานทั้งสี่รูปประจานนั้นเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารธรรมส่วนอรูปปะชานนั้นเป็นสันตวิหารธรรมเป็นธรรมที่สงบเนี่ยนะมันพวกกระสินทั้งแปดเหล่านี้เนี่ยหรือกระสินทั้งหมดที่กล่าวไปนั้นสำหรับผู้ที่จะเจริญอนุปุภพวิหารสมาบัติก้าหรือนิโรธนะอนุปุภพนิโรธก้าจะต้องได้สิ่งเหล่านี้ ถ้าไม่ได้คุณธรรมเหล่านี้ก็ยากที่จะเข้านิโรธสมาบัติได้เนี่ะอนาที่เข้านิโรธสมาบัติได้ท่านจะได้คุณธรรมเหล่านี้หมดเลยถ้าผู้มีบุญหรือมีปัญญาที่ที่ในการอบรมกสินจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเห็นรอยไถเนี่ยนะเห็นรอยไถที่ดินพลิกขึ้นเข้าปฐวีกสินได้เลยได้เข้าได้ชานสีเห็นลานนวดข้าวเนี่ยเข้าชานสีได้เลยเห็นแผ่นดินเนี่ยนะมันผู้ที่กวาด กวาดวิหารเนี่ยกวาดวัดเนี่ยเข้าชานเข้าชานสีได้เลยโดยที่มีปัทวีเป็นอารมณ์เนี่ยอันนี้พูดถึงคนเขาเขามีว ส, สีเขามีความสามารถเขามีความชํานาญเนี่ยอันพวกอาโปกสะเนเนี่ยก็ตักน้ําใส่ภาชนะเนี่ยเห็นน้ําก็เข้าชานได้เลยนี่ยนะอย่างเรื่องบัณฑิตจอบเพี้ยนอันนัที่เรียกว่าเหลือบไปดูแม่น้ําคงคาก็เข้าชานได้เลยเนี่ยมันเห็นน้ําก็ได้ชานเลย เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนเจริญกสินอยู่แล้วนะไปที่ไหนไม่พ้นกสินให้เราเห็นหรอกถ้าเจริญปฐวีกสินเหลือไปก็เห็นแผ่นดินแล้วก็เข้าฌานได้เลยมองเห็นน้ําก็เข้าอาโปกสินได้นเลยลักษณะของคนเข้าฌานเนี่ยจะอยู่ในลักษณะอย่างไรยืนก็อยู่ในลักษณะทุกอิทําได้ทุกอิริยาบถจุเข้าได้ทุกอิริยาบถแล้วระยะเวลาของการอยู่ในฌานก็อยู่ที่วสี เพราะฉะนั้นอย่างที่ว่ากวาดลามวัดเห็นลามนวเข้าแล้วก็เข้าวชานได้เลยเนี่ยแสดงว่าในช่วงนั้นปู๊ก็เข้าวชานเลยอ่าข้าแป๊บเดียวแล้วก็ออกต่อแล้วก็ออกนั่นหมายถึงว่าเห็นสิ่งนี้แล้วคือสามารถเข้าวชานได้นี่นายหนึ่งอีกนายหนึ่งก็คือถ้าอย่างนั้นเข้าได้ไม่จํากล่าวว่าไปหลีกเล้นแล้วทําไมจะเข้าไม่ได้นะพูดถึงว่าถ้าอย่างนั้นยังเข้าได้เหมือนกันเถอะนะคำว่าเดินยังกินได้นะวิ่งยังกินได้ด้วยเลยนะถ้า จะกล่าวไปยายถึงนั่งหรือนอนจะกินไม่ได้อันนี้ก็ลักษณะทุกเข้าฌานได้ทุกอิริยาบถเนี่ยนะแล้วอย่างนั้งจะมีความจำเป็นที่จะต้องมีเล้น อ, อันนี้หมายถึงว่าถ้าเก่งขนาดนั้นแล้วแต่ว่าคนได้ฌานเสียงเป็นปฏิปักษ์ต่อฌานแตนถ้าคนได้ฌานคลุกครี ม, มาก เ, าะะาเสื่อมแล้วก็หมดตัวเลยอ่ะอะไรก็ดีร้านทอดข้าวก็ดีมันจะต้องมีเสียงที่จะมาลบกันใช่คือ คือต้องมีความสามารถสูงเนี่ยนะจึงจะได้คือการได้ชาลแล้วคลุกเคลีมากมันก็เหมือนกับ ว, ว่ามีทรัพย์แล้วเข้าแต่เที่ยวแต่บ่อนนะเข้าไปเที่ยวแต่ร้านสุราร้านเหล้าถึงมีทรัพย์เดี๋ยวก็ไม่นานนะหมดตัวหมดแป๊ดเดียวด้วยเนี่ยนะนะพวกที่ได้ชาลได้อะไรทั้งหลายแหละเขาจึงค่อนข้างสงวนเนื้อสงวนตัวเนี่ยนะไปมนะั่วสุมกับที่เป็นปฏิปักษ์ไม่ได้เพราะถ้าหมดแล้วหมดตัวเลยเนี่ยนะซนะับภายนอกนะอาจจะหมดทีแล้ว ล้านสองล้านก็ยังไม่หมดตัวเลยใช่ไหมกสินเนี่ยทั้งหมดแล้วหมดเลยอะคูสเข้าอย่างเดียวอะที่เหลือก็ไม่ใช่กรไม่ใช่ชาแนะ่ะเหลือแต่บาวอะคูสนล้วนๆ น, นั้นจึงต้องสังวรให้มากนะเห็นไฟเนี่ยเห็นเขาจุดเทียนจุดอะไรเนี่ยเห็นไฟที่ไหนก็เข้ากสินได้เลยคือคือเห็นอันนั้นนะระหัสเข้ากสินไม่ใช่ว่าเอาอันนั้นเป็นตัวกสินหมายถึงชํานาญในเรื่องกสินชนิดนั้นมาแล้ว เหมือนอะไรเราไปเห็นหน้าคนสักคนหนึ่งที่เราคุ้นเคยเนี่ยนะไปเห็นคนอื่นที่คล้ายๆกันเราก็นึกถึงอีกคนหนึ่งได้ทันทีพวกที่เข้ากระสินได้ก็ลักษณะนั้นนั้นก็เห็นไฟวอวักแวบเนี่ยก็เข้าฌานได้ละคเห็นอะไรที่แล้วเราจำได้อคล้ายๆกัน <Okay. S 1> คลับคล้ายคลับคลาเหมือนกับ เ, เราเห็นมะขาม น, น, น้ำลายไหลใช่เพราะมันคุ้นเคยอะนะคุ้นเคยเเาา ค, คือฌานเนี่ยปกติมัน ถ้าเริ่มเจริญเขาก็เจริญทีละได้ชามที่หนึ่งก่อนแล้วก็ทำชามที่หนึ่งให้ชํานานแล้วก็เจริญชามที่สองได้ชามที่สองทำชามที่สองให้ชํานานแล้วก็ทําชามที่สามทำชามที่สมให้ชํานานแล้วก็ทําชามที่สี่ทำชามที่สี่ให้ชํานาญทีนี้ในผู้ที่ชำนานนี่เนี่ยเขาเข้าสลับได้เช่นเข้าเข้าสี่อ่าเข้าหนึ่งสองสามสี่ก็ได้เข้าสี่สามสองหนึ่งก็ได้เข้าหนึ่งสามเนี่ยนะหรือว่าสองสี่ หรือว่าเข้าขึ้นลงขึ้นลงสลับกันยังไงก็ได้อันนี้สลับชานก่อนอย่างที่สองเข้าสลับกระสินเนี่ยนะว่าชำนาญนะเขาจะเข้าสลับกระสินเช่นอ่าปัทวีอาโปเตโชวาโยแล้วก็ไล่ขึ้นไล่ลงก็ได้ไล่สลับอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็วันนากสินก็ไล่ตั้งแต่สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวแล้วไล่ขึ้นไปอ่ะสีขาวสีแดงสีเหลืองสีเขียวไงนะไล่สลับแล้วก็ไล่แปดเนี่ยสลับขึ้นสลับลงแล้วก็เข้าสลับกสินและสลับชานสลับกสินด้วยสลับชานด้วย นะเช่นเข้าปฐมชาญปทวีกสินนะเข้าทุติยะชานอาโปกสินเนี่ยนะเข้าตาติยะชาญวาโยเข้าเตโชเป็นชาญที่4ี่นะพวกที่ชํานาญขนาดนี้ก็บอกว่าพวกที่พันคนเนี่ยไปทําให้ได้กสินนิมิตเกิดขึ้นมันก็คนเดียวแล้วในผู้ที่ได้ไอินิมิตมาได้เนี่ยพันคนเนี่ยมารวมกันแล้วจะได้ชาญริงๆก็ไม่คนเดียวมั้ง แล้วพวกที่ได้ฌานเป็นพันๆที่จะชำนาญขนาดเนี้คนเดียวเนี่ยนะแต่ว่าพูดถึงผู้ที่ทําสําเร็จแล้วอย่างพระมหาโมคขลานะเนี่ยเชี่ยวชานเรื่องนี้เมื่อไรก็ได้เนี่ยนะเข้าฌานสลับฌานเทศไปด้วยสลับไปด้วยก็ได้แต่ว่าผู้ที่สุดยอดเรื่องนี้จริงๆก็คือพระพุทธเจ้าเข้ากสินด้วยสลับกสินด้วยทุกชนิดแล้วเนรมิตให้เป็นสี่รูปให้เป็นพระพุทธเนรมิตขึ้นเดินจงกรมสลับแล้วเทศด้วยกําหนดวาราจิตของสรรพสัตว์ด้วย แสดงทำไปด้วยอะไรไปด้วยนั้นคนที่ถึงที่สุดก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้ที่ฝึกจิตสิ่งเหล่านี้เป็นการฝึกจิตนั่นเองนะเป็นจิตที่เบาอ่อนคล่องควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ยน้อมไปเพื่อคุณธรรมเหล่านั้นได้นี่ถ้ามีคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะก็บาปอากุศลไม่กลุ้มรุมมันเป็นฐานในการเจริญสมถวิปัสสนาเป็นอย่างดีเนี่ยนะคืออันนี้ก็เป็นสมถะเป็นความบริสุทธิ์ของจิตที่ นิวรณ์ทั้งหลายไม่กลุ่มรุมมันก็สามารถที่จะที่จะน า, นาขันอายตนะธาตุได้ไม่ยากนักผู้ทีอ่อย่างเช่นผู้ที่ได้ข้อ1ถึงข้อ8เนี่ยนะที่ได้รูปประชานอันนี้เขรียกว่าเป็นผู้ที่สงัดจากนิวรณ์ทุกชนิดสงัดจากบาปอากุศลส่วนผู้ที่ได้อารูปประชานนี่ก็คือผู้ที่สังกัดจากรู ป, ปรกายทุกชนิดสงัดจากรูปประชาน แต่ผู้ที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ต้องเป็นผู้ได้อริยมรรคสี่จึงจะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดการเรียนแบบนี้เนี่ยนะตอนแรกเราก็อยากคิดว่าโอ้โหทําได้ยากเหลือเกินอย่าไปคิดอย่างนั้นควรจะคิดว่าเออสิ่งนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเรามีนะเอาไว้เจริญพุทธคุณก็ได้ก่อนใช่ไหมพระพุทธเจ้าได้กระสินทุกอย่างเลยนะเนี่ยเจริญพุทธคุณสองเจริญสังฆคุณก็ได้ พโมกัลานะชำนาญในเรื่องกระสินเหล่านี้หมดเลยเนี่ยนะเวลาสังคังนา ม, ามีนะสุปฏิปันโนพระวะโตสาวกสังคโคก็เนีกว่าเออท่านทั้งหลายเหล่านั้นอ่ะท่านปฏิบัติได้คุณธรรมเหล่านี้เราก็อย่าเอาเราไปเปรียบมากนักยัย <c oughs> เ, เราไปเปรียบแล้วมันจะป่วยนะคุณลาวัน <c oughs> ไปอ่านประวัติใครแล้วจะไปเป็นแบบคนนั้นหมดเราก็ป่วยใช่ไหม แล้วก็เอาเท่าที่ได้นะคนที่เราเรียนไปแล้วเพื่อ ก, กราบไหว้เราก็เอาไว้กราบไหว้นะไว้นับถือเอาไว้อะไรเป็นต้นนะพอไม่เห็นพระอย่างนี้เข้าก็เอ้ยจะเราจะเป็นพระบ้างนะไม่เห็นคาราวะาอีกจะเป็นคาราวะอีกแล้วนะั้นก็อันนี้ก็เดือดร้อนมากยุ่งมาก ก, ก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่ก็ดีแล้วนธรรมะทั้ง1ิประการเนี่ยคือกสินอายตนะเนี่ยนะแดนแห่งกสินหรืออายตนะคือกสินเหล่านี้เป็นธรรมที่ควรเจริญนะ ก็ถ้าเจริญอย่างเต็มที True ่ถ้าสามารถฝึกชำนาญได้นะเห็นด <trouble> ินเมื่อเห็นแผ่นดินเมื่อไหร่ให้รู้ว่ามีคนเข้าปฐวีเป็นเข้าฌานสีได้เห็นน้ำที่ไหนให้รู้ว่าผู้ที่เข้าอบรมอาโปกะสินเขาเข้าฌานได้เห็นไฟที่ไหนเนี่ยก็รู้ว่าโอ้มีผู้ที่เข้าเข้าเตโชกะสินได้เห็นลมพัดวิววิวใบไม้ไหวไเนี่ยโอ้มีผู้ที่เข้าวาโยกสินได้นะ เห็นสีขาวเนี่ยเช่นเสาเนี่ยเสาเข า, ขาทาสีขาวกําแพงทาสีขาวเนี่ยมีพระราชาพระองค์หนึ่งเนี่ยอยู่ในวังผนังของวังเนี่ยทาสีขาวก็เข้าโอทาตกรสินได้เป็นพระราชาอยู่ด้วยนะ ย, ยังอยู่ในวังนั่นแหละก็ยังทําฌานได้โดยที่ดูกสินข้างฝา น, นั่นแหละไม่ได้ไปทําอะไรที่อื่นหรอกหรือเห็นสีเขียวอไงดูสีเขียวก็สามารถที่จะเข้าฌานได้หรือเห็นสีเหลืองไง แล้วนั่งรถมากะโยมโยมเขาชอบไอ้ไอสีเหลืองอินเดียนะเขาชอบมากสีเหลืองกันนั่นน่ะเพราะแสดงว่าถ้าฝักฝ่ายชอบสีเหลืองเห็นเสื้อคุณเฉลิมก็เข้าอะไรปีตะกะสินได้สีเหลืองได้นี่นะเห็นตาใครเรื่องเหลืองนิดหนึ่งก็เข้ากสินได้เลยหรือเห็นโอทาตะกะสินนะเห็นสีขาวโอทาตะก็ขาวใช่ไหมหรือเห็นสีแดงเนะี่ย สีแดงเห็นใครเลือดไหลนี่ก็เข้าฌานได้หรือว่าเห็นดอกไม้แดงดอกชบาแดงดอกกุหลาบแดงนี่ก็เข้ากสินได้เลยเข้าฌานได้อันนี้พูดถึงคนที่ชํานาญเนี่ยเห็นอะไรพอที่จะเป็นนิมิตนิดหน่อยก็เข้าฌานต่อได้เลยเห็นผมก็เหมือนกันนะผมก็เข้านี่ล้กรสินเนี่ยนะว่ออกเป็นสีอะไรผมก็สีเขียวใช่ไหมเห็นช่วงตาหรือว่าบางส่วนในร่างกายที่มันเหลืองๆก็เข้าปีตะกสินได้ ถ้าเห็นอะไรนะพวกริมฝีปากเป็นต้นก็เข้าอะไรโลหิตกสินได้เนี่ยนะหรือเห็นตรงเล็บเห็นเล็บเห็นอะไรพวกนี้ก็เข้าโอทาตกสินคือสีขาวได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ชํานาญจริงๆเนี่ยเขาเข้าได้หมดหรือเห็นเนี่ยแสงสว่างก็เข้าอะโลกสินได้เนี่ยนะเห็นแสงสว่างเข้าอาโลกสินได้เนี่ยนะแล้วก็ถ้าชํานาญก็เพิก กษินเหล่านี้สายใจด้ว่าอากาศอย่างเดียวก็ได้เข้าอรูปฌานที่1แล้วก็กําหนดอรูปฌานที่1เพื่อจะเข้าอรูปฌานที่2ไม่ใส่ใจในอรูปฌานที่สองวันหน่อยหนึ่งก็ไม่มีก็เข้าอรูปฌานที่3กําหนดฌานที่สก็เข้าฌานที่อรูปฌานที่สีได้นะครผู้ที่ชํานาญแล้วก็ภายในเวลาเวลานิดเดียวก็ทําได้ทั้งหมดไม่มีการติดไม่มีการขัดเนี่ยอย่างพระ โดยเฉพาะพระมหาโมคคลานะนี่ไม่ติดขัดเลยในเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะชำนาญคล่องแคล่วเราก็เอาไว้กราบไหว้ผู้ที่มีคุณธรรมอย่างนี้เนี่ยนะการเรียนก็เพื่อตรงนี้ก่อนก็ยังดีเนี่ยนะให้ได้นับถือผู้ที่ควรนับถือก่อนส่วนจะทำได้หรือไม่ก็อยู่ที่มีศรัทธาไหมถ้ามีศรัทธาเนี่ยเชื่อว่าทำได้แต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะทำได้ได้แน่เนี่ยนะแต่ก็อย่าลืมว่าบางอย่างก็ก็ใช้เวลาหน่อยนยะ เราเวลา <c oughs> ก็เด็กคนหนึ่งเขาปัดเขาเห็นประธานาธิบดีแล้วเขาอยากเป็นบ้างอะแค่นั้ น, เ, นเด็กตัวนิดเดียวตอนหลังแกก็ได้เป็นประธานาธิบดีจริงๆนนี้เหมือนกันถ้าเราฝักฝ่ายที่จะมีคุณธรรมแบบนี้บ้างสักวันหนึ่งเธอเนี่ยนะ ก, ก็จะเป็นของเราบ้างเหมือนกันแต่ถ้าไม่เคยมอใจนึกอยากจะเป็นยังไม่มีเลยอันนี้ก็ผมไม่รู้จะช่วยกันตรงไหน คืออย่างที่สมัยพุทธกาลนะพระพุทธเจ้าไปเทศแล้วเขาบรรลุกันมากอ่ะคือคนเหล่านั้นเขามีใจที่จะบรรลุมานานแล้วเนี่ยนะอย่างบางพวกเขามีใจบอกโอ้ถ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็จะค้ำอาศัยท่านนะค้ำคือเขามีใจปรารถนาจะบรรลุบางท่านหลายท่านมากเลยเสียสงไขยกันมาแล้วอันสิ่งเหล่านี้คุณธรรมเหล่านี้ถ้าเรามีใจเอาไว้ก่อนเนี่ยนะเราก็ก็สามารถที่จะบรรลุได้ นี่มาดูปริญญาธรรมบ้างนะธรรมะที่ควรกำหนดรู้เนี่ยนะปริญญาธรรมธรรมะที่ควรกำหนดรู้สิบก็คืออายตนะสิบอายตนะก็คือที่ต่อเนี่ยนะหรือว่าที่ไหลไปสู่สังสารทุกเนี่ยนะที่ต่อตาก็ต่อกับสีผลของการต่อตาต่อกับสีผลคืออะไรผลคือจะคูวิญญาณภาษาเวทนาเนี่ยนะหูก็ต่อกับ เสียงผลก็คือโสตวิญญาณภาษาและเวทนาจมูกก็ต่อกับกลิ่นผลออกมาก็คือคานวิญญาณภาษะและเวทนาลิ้นก็ต่อกับรสผลก็คือชิวหาวิญญาณภาษะเวทนากายก็ต่อกับโพธาภะผลออกมาก็คือกายยะวิญญาณภาษะเวทนาถ้าพูดถึงที่ใดพูดถึงเวทนาแล้วให้รู้ว่าอะไรทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าสูตรเขาเป็นอย่างนี้ สูตรเขาก็คืออย่างเอาทวารกายนะเช่นกายกับผทธภาเนี่ยต่อกันขึ้นมาก็เกิดกายวิญญาณสามอย่างประชุมการเรียกผัสสะผัสสะก็ทำให้เกิดเวทนาทั้งที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาและทุกขมสุขเวทนาเนี่ยนะ สุขเวทนาเนี่ยหมายถึงเท่าไร น, นะหกสิบสามเกิดร่วมกับจิตหกนะสิบสามยทุกขเวทนาสามโดยอุปนิสัยปัจจัยนะไม่ใช่อนันตระปัจจัยสัมปยุตตปัจจัยสามชาติเลยนะคือหนึ่งสัมปยุตตถ้าดวงเดียวกันก็สัมปยุตตะใช่ไหมถ้าดวงถัดไปก็เป็นอนันตระ ถ้าหลังจากนั้นอาจจะนานแค่ไหนก็ตามเป็นอุปนิสยะเพราะนั้นภาษาเป็นปัจจัยแก่สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาเนี่ยโดยทั้งสามชาตินั่นเลยถ้ากล่าวสุขที่ใดให้รู้ว่าอะไรโลภะถ้ากล่าวทุกข์ที่ใดโทสะถ้ากล่าวอทุกขมสุขที่ใด โมห oh ะอันนี้โดยมากนะแต่ว่าขณะที่โลภะเกิดก็มีโมหะเกิดร่วมด้วยขณะที่โทสะเกิดก็มีโมหะเกิดร่วมด้วยขณะที่มีโมหะเกิดไม่แน่บางทีก็โดดๆแต่ว่าในที่สุดก็ย้อนไปหาโลภะอีกอยู่ดีเงี้ยเลยย้อนไปหาโลภะอีกอยู่ดีนะถ้ากล่าวอย่างนี้เนี่ยนะก็บอกว่าเจตนายี่สิบเก้าเท่ากับกล่าวแล้ว ก็ย้อนกลับไปไหนอีกย้อนไปเพื่อมีกายมีโพธะมีกายะวิญญาณระบบมันก็ไหลเวียนอยู่อย่างงี้แหละวัตตะก็แบบที่คุณหมอพูดถึงสรีระร่างกายน้ําคัดหลังในร่างกายเนี่ยมันก็ใช้แลกเปลี่ยนใช้กันอยู่อย่างนั้นแหละเอาเข้าเอาออกไหลหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอันนี้ก็เหมือนกันวัตตะเนี่ยจะว่าใช้ของเก่ามันก็ใช้ของเก่ามันก็ระบบหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปชีวิตซ้ํซ้ซากๆาอยู่อย่างนี้แหละ แต่ว่าไอ้ซ้ำซากอันนี้เนี่ยเพราะอะไรเราจึงติดข้องเหลือเกินเพราะวิปลาสเนี่ยนะความสำคัญว่าเป็นสุขบ้างความสำคัญว่าเที่ยงบ้างความสำคัญว่างามบ้างสำคัญว่าอัตตาบ้างพวกนี้มันฉาบไว้เท่านั้นเองเนี่ยนะพวกนี้มันฉาบไว้ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ฉาบนะวัตะมันก็สิ้นสุดขณะที่โลภะเกิดอากุศลเกิดเนี่ยแหละคี่เรียกว่าเป็นการ ฉาบทาเอาไว้แล้วเพราะนั้นอายตนะพวกนี้จึงต้องมาทำปริญญาเนี่ยนะนะยาตะปริญญาตีรณะปริญญาปหานะปริญญาศัพ์ว่ากายอันนี้เนี่ยหมายถึงอะไรกายกายก็คือในร่างกายเนี่ยอะไรบ้างกลุ่มปฐวีธาตุเนี่ยนะนะก็ ผมขนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเพราะในะคำว่ากายอันนี้อมอาการสามสิบสองเอาไว้เนี่ยนสับว่ากายสับเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าถ้าเราแบบนึกธรรมดากายมันส่วนไหนอะไรคือกายา ก, า ก, าก็ตัวที่มันมีกายยปสาทะจริงๆที่มีกายยปสาทะไม่ถึงสามสิบสองนะที่ไม่มีกายยปสาทะอาหารใหม่อาหารเก่า ในปฐวีธาตุนะอาหารใหม่อาหารเก่าอาโปธาตุก็คือเหงื่อมันเหลว อ, อะไรตัศวะน้ำมูกน้ำตาพวกนี้ไม่มีกา ย, ยภาษาธาตุตัวนี้เพราะว่ากายกับโพธพะจะต้องคือถ้ า, ถาโพธพะอันนี้เนี่ยทั้งสี่สิบสองด้วยภายนอกด้วย ทั้งภายในกับทั้งภายในตัวเองอ่ะนะก็เป็นโพธพารมได้ทั้งภายนอกภายนอกก็แบ่งเป็นสองเลยมีชีวิตกับไม่มีชีวิตเนี่ยนะแ่พวกเนี่ยต้นไม้ใบหญ้าก้อนหินก้อนกรวดกระดานก็นับเนื่องในโพธพะเพรา ะ, ะทั้งตัวกายก็ทำปริญญาด้วยโพธพะนี่ก็แบ่งทั้งภายในสรีระของตัวเองก็เอามาทำปริญญาและโพธพะภายนอก เนี่ยนะที่เราไปจับต้องแล้วก็ทั้งเนี่ยสิ่งไม่มีชีวิตก็เอามาทำปริญญาเพราะทั้งกายกับโพธพะผลออกมาคือกายวิญญาณ